นี่จะเริ่มออกพรรษาวันทุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเป็นไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหิง เกียวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนรตามสถานที่ต่างมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียว ในวันหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมาก ออกพรรษาแล้วก็ยังก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้อังห่างก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้น น, นีตาม หลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวกสงัดนี่ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ทยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่น แห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งพระเ่าท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจ ะ, จะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บําเพ็ญเป็นประจำในพระอาวาจของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักแห่งการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้น สอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สง บ, งบเงียบสอนให้มีความมักน้อยเนี่ยสอนให้มีความสันโดษทำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็มีความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ให้ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มี อันเป็นความโลภโลเลียาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นยากมากยิ่งกว่าคนหรือคารวาตัวทั่วไปดังออนั้นก็สอนให้แม่คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่ เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านวาอาสังสักคณิกาไมา่คุ้ครีมมั่วสุมซึ่งการาการันอันหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากอิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัดกับธ ร, รมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็ิเวกกะตานี่ยฟังดี ชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่วิที่วิเวกที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้าไม่มีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่า การถ้ากรองแล้วยังไงก็เป็นไทยตาเห็นเป็นอย่างไร ห, หูได้ยินเป็นอย่างไรปรัญญาธรรมจึงให้สงบให้ดีเวกสงัดในอาย a s ะทั้งหกนี่เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกปิ้นกายเมื่อสิ่งนี้ สงัดไม่นําสิ่งใดเข้ามากวนจิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบําเพ็ญเสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารมพานั่นนั้นประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ําเสมอไม่ลดละคําว่าวิทยารำพานในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการวุ่นวายต่างๆ แต่ให้เพียนเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกันกบทำสามสี่ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกกระตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพีย่ยนเพียนอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียน ไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็าตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัด ก, ก็เป็นความเพียรคำว่าความเพียร น, นี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจอ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐาน เรื่องของปัญญาก็ก้าวไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจารณาและการเวลาที่ควรที่ควรจะพิจารณาสําหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสําคัญละไม่ได้นะสนทนากันละเลื่อนธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบําเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะ พระเราจะมีความสุดสวยงดงามมีคุณค่ามีสงาาส่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลนะสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ฐ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพรออาะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บําเพ็ญจิตใจ ด, ด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความด้วยความมีสติจิตก็จะ สงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวดแกงอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดินน้นรนสิ่งที่เป็นค่าสิทของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกอดแกงอยู่เสมอไม่ว่าใครรเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้อง ได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคอศีลหนึ่งศีละสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระทิ่มุตุบุญพ้น เป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กรามาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่ง ม, มั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพ้น์และวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสันเลการำสิบประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลหดับตํางาทำส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้ว ตามปกติในครัง้งพุทธการท่านจะสอนให้ออกเที่วิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เยกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพลินสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องนำเนินตามหลักแห่งสวรขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พระภิกษุในค้าง้งดุจการนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซซาซไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียดขี้คร้านครอบหัวไปสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆ เปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัดแห่งทมที่จะควรเ ป, เปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลส น, นั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นการออกเที่ยวหาที่แยกสงัด ก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำ เ, เล่นๆแล้วเหรอกแหละๆดังที่เห็นอยู่นี่ผมพูดจริงๆนะผมหนัก อ, อก ความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบหยาบมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าจะแก้จะไขได้สิ่งนั้นน่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี่แหละนี่มันหยาบหยาพูดก่อนเทศตะกี้นี้มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็าตาม การเคลื่อนคราดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่ตืดจางว่างเปล่าจากอัดจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจอ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพยายาเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกภูมิตามอย่างนี้ดั้งที่ เป็นอยู่ตะ ก, กีน้นี่ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งนี่ยหลมันสอ่อถึงเจ้าของผู้บอกนะแล้วที่นี่มันจะสอ่อไปไหนบ้างล่ะก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของความคิดอ่านแต่ครองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่าน ทำไปอย่างแบบกีวศักดิ์แต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตนนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมด ก็เพื่อเพื่อนสูงลับประชาชนญาติโยมถ้าหุดตรงแล้วก็ว่าเพื่อโลก <_ d ata> เพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกาลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดชเสีย่งการที่อุศอดทนอยู่กับหมู ก, กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาองตัวเองซึ่งอาภัพยอยู่แล้วไม่อยู่ ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่ฉชนนั้นให้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัดใจสีจิวรบินธบัตเนสน า, นาสนะกีฬานักพศศาสตจ์ยาแก่โรคแกภยัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติ ไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจากห้ากิเลให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่ง น, น, นี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยูบ่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอเรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อน เนี่ยก็ยิ่งออกพรรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานึ่งโอ้เต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็าหาประมาณไม่ได้แสดงหรือสอให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมากอะไรยิ่งล้นล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากก็เดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่ ไม่อ่านใจตองอะไรมากกว่ากันดันเข้ามาดันเข้ามาทีนีาา้ดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็ความช่วยทังเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่นับในฐานะหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ที่ใดที่บอกตะกี้นี้ หรือจะเข้าไปเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองได้อาตธรรมวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีรี้รับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ธรรมที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่า เทศบาลหนึ่งเทศบาลสองและการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ะไปะถ้าจะวิเศษจริงๆนอกจากมันจะเน่าเฟ้อให้เห็นอยู่ทั้งทั้งที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดในสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุเทธเจ้าที่ทรงสอนไปแล้วอย่างใด ถ้าขัดต่อทําแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสร้างหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทําลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจทําลายหัวใจหมูได้ยินการจิรยาแสดงออกแห่งความเลวทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพายไปหมดล่มจมไปตามๆกัน นั่นเป็นของดีไหมสินใดที่ขัดต่ออัตตต่อธรรมของมูจาแล้วเราอวดดีปวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมในสัตวเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่ีเรียกหาที่ส น, นัดที่ใดจะสะดวกแาก่การบำเพ็ญธรรม ที่นั่นเป็นเป็นที่มงคลแก่หัวใจของเราและตัวของเราเรื่องปัจจัยซีเป็นเครื่อง <c oughs> เพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เปลียนไปขอให้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัตมุ่งทำอย่างยิ่งคือมรรคนิพพานข้อมรรคนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในขั้งพุทธการชั้นใด ก็อยู่เชื่อเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โรคแก้สงสารเคยสังหารกิเดศอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของจักรโลกให้พินาศพิถายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้ งั้นอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บําเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจํานวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จก่งเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนมาอย่างไงนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อมถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงถึงจนกระทั่งถึงวินุตบุตรพน นี่เลจะมีขนาดไหนแม่นอกเหนือจากธรรมมาวุฒิที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันประวันตรัสรู้มาจกนกระทั่งบัดนี้ปเป็นธรรมที่เรียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าด้วยเป็นศาสดาเอกก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นเสนะของโลกมากก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลวงธนะได้กราบไหว้ก็ เพราะทมศักดิ์สิทธิ์ทมวิเศษสามารถที่จะปราบความทั่วชาละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนห ย, ยาบหยาบจนมาถึงละเถึงกระตั้งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บาเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนมาั้งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติ จะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้ไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่าอยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลําพังพระองค์เป็นสยามผูนั่นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคส่ผลจนกระทั่งได้เป็นสารณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัดนี้ท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไป จุดหลักทำหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเลยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปออกปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็น เหตุเป็นผลเป็นยิทธาสักดาหนุภาพที่จะปราบความชัวช่วช้าละโมบทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปพระอาวุธนี้บรรจุคุณค่ายือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุดิธาสักดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหาร กันแล้วกับค่าสึกค่าสืกย่อมจะเหมาบราบหรือจิบบันไลไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงหวะสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอรหันในรั้งพุทธการแปลกต่างอะไรไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดํานินไม่ได้มีแปลกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปิดมีแวะไปจากนี้เลยเพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระว่าธรรมนั้สอนนี้ จะน้อยเนื้อต่าใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพาคถ้ายึดตามหลักทำหลักวินัยให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดเพราะว่าคำอยัางสอนของบู้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันงสำคัญที่ ในกิเลสก็าไปแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกวี่ทุกวันทุกระล่อมเวลาทุกียาบททุกอาการของความเปลี่ยนนี่สิจะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทําลายเหมือนกันกันกบไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนถ้าไฟลงเดินเผาไหม้ไปตรงไหนแล้ต้องแหลกไปหมดแตบกบไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหมา้ไปได้ทั้งครั้งพุทธการกิเลสก็ไม่ได้กลัว ไม่ได้กลัวคนที่คเครืเ้อซ่าซคนที่เกียดคี้คล้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเปลี่ยนหาความอดความทนหาความสังหวมไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวข้างไหนก็ข้างถึกแต่กิเลสกลัวคนที่มีธรรมโกงข้ามันนี้หรือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเปลี่ยนมีความอดความทน มีความพยายมีความสังวมระวังมีความจดจอ่อต่อเนื่องกันเรือ่อความทักเปลี่ยนไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัวไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็กก็กกกก็ตามถองยังไงกิเลส ก, ก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นํำทำเหล่ า, านี้ไปนี่หละเรียกว่าทําอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ทําจะเรียกว่าทําแค่เอื้อมก็ได้ อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั่นเวลานั่นปีนั่นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลผนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดทำนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมมกให้ความสิบหมายิบหายแก่ผู้สนิทติดจมกับมัน และธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็ น, นที่โมคุลแก่จิตใจของผู้บําเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสุภาษิธรรมนี้ไว้นี่เป็นอาการลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่รากใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้ว หพากันออกไปเพื่ปฏิบัติกรรมัดนี่เลยหาที่มันนั่นลหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละกิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ทมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ทมได้ต่อสู้กับกิได้อย่างสะดวกสบายถ้าที่นายมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสาร mm hmm. นั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสร้อยเปร์ก้าวออกไม้ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดี เพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่เช่นั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกขให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปถอะทุกแบบไม่เป็นท่าทุกแบบหาทางออกมาได้ทุบทุกแบบจนกรอบเนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากต่ำมากเราก็เคยเป็น ทุกแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกเพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกที่มีสาระสําคัญมากเป็นทุก์ที่มีคุณค่าเป็นทุกที่จะหนุนเราให้หพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั้งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคนที่ที่ว่าเกิดความทุกข์ความลําบากลําบนญความเพียรก็เหมือนกัน เรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสําคัญอย่าเพียงอดเฉยๆเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยๆไม่มีความเพียรอันนี้ใช่ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิริยามิถานโยคค่ะความความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเรา เช่นธาตุขันของเรามันมีกําลังรับทานอะไรหรือขันอะไรลงไปมีกําลังเมื่อมีกําลังแล้วกําลัง อ, นนอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายยิเลสเสียยิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวยใจให้ก้าไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเนี่ยเคยแล้วนี่ นี่ละที่ว่าอดอาหารเราจรึงต้องในพิีแพลงเปลี่ยนแปลงห ล, งหลายสรรหลายครมเอาพรเป็นยังไงพ่อเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดน่นความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นเนี่ยเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ ไม่ล้มง่ายๆเนีย่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายรับคล่องตัวไม่อุดอาดเหนื่อยนายไม่ไม่แบกจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำส้ำดานด้วยปากด้วยท้องเนี่ยเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสําคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทน เมื่ออย่างเราเดินทางไปถูกที่ฐุระกันดานลําบากลําบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั่นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทางทางนี้กุกะทางนี้ลําบากทิฏฐุระกันดานก็จําต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่ออดเฉยเพื่อมรรคผลนี่ผ่านด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้น อาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเรานะสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้ก้าวได้สะดวกนีสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลาดับนี่จ ร, รียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นฉนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผล ที่เราผึงหวังนั้นได้เป็นลําดับตําดาสมมากสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆนี่ยการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาจิตสติหาไม่ได้เลยตั้งตั้งภาพหายเงียบตั้งผ้าหมาเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวเป็นผมเป็น พยายานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกําลังบางชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กําลังบางชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันมันก็มีกําลังเพราะสิ่งเหอ น, นี้หนุนมันมันทําภาวนาเข้ามาในเรื่องควาตั้งสตินี้ล้มถอยล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นพยายามทําอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชั ด, ชด ตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ําตาร่วงเลยเสียใจเคียดแทนให้กิเลสตั้งสติไม่อยู่ถูกกิเลกมันทุบมันตีมันเตะมันยันล่มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่<ม>นั่นที่นี่ถึงได้ต้องเลยพลิกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันมันเป็นหลักธรรมชาติ เมื่อคาดขันมีกําลังมากแล้วนี่เหลือตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนักตัวราคะเป็นสําคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท่าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันมันแสดงไม่ได้ถึงเมื่อเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้ว เห็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นต่อของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆเนี่อมันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท่าทายเราอยู่งั้นเป็นยังไงเรานปฏิบัติเราเป็นยังไงอะกิเลสมีราคาเป็นต้นถ้าทายอยู่ภายในหวัวใจนั้นแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกําลังหรือไม่อาจฐารที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามถ เ, <ๆ>เพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุด เลยนี่แหละที่มันทําให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นั่นก็ต้องเนะีหาอุบาเช่นผอนอาหารเป็นยังไงมันจะช่วยได้ไหมโพตอาหารเป็นยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเลื่อย อดเรื่อยทำเรื่อยทางนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอเรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั้นมันก็สงบไปสงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนก็เป็นผลาญน้อยๆขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะี่ยยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอ นี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดืเป็นความลําบากลําบนในการประกอบความภาคเลี่ยรนี่ว่าทางคุขะหรือทางธุระกันดาลก็คืออย่างนี้แหละนอกจากการอดอาหารลําบากลาบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดาลแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทําไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตั้งหน้ารักษ า, ากจิตใจได้ กิเลสไม่มาตกมาต่อยมาทุกมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยลมถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้มันตั้งไว้อะไรมันก็อยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหรจิต ก, ก็มีความสงบนานเท่านั้นนานเท่านั้นนั่นหนุนกลายเป็นลําดับบัญชาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเยน็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวน สงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถ ท, ทั้งสิ้รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจับแสบนี่มันมันไม่เข้ามายุมาแยกรอกวนทุกตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเลนนื่อนในเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการ แห่งความเปลี <gas> <un> ่ยนทั้งหลายที <The> <the> ่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอดาหารเป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกว่าตัวเอง ในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตน อ, อยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพิณิพิจนาอย่างนี้ถ้าศักแต่ว่าธรรมะธรรมมันไม่ได้เรื่องอะไรนาะนี่นี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแชนจนน้าตาล่วงน้ําตาล่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเคียดแชนให้กิเลสตัวตัวนี้่ตัวสาคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างหา่างนะไม่ได้มาแสดงอะไร แต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงมาฟังสิทําไมมันจะไม่เกลียดแค้นขอเรานี่ยที่ฟัดกันอย่างเต็มที่เต็นทามพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี้เราจะทําไงก็ทําได้นี่นะถ้าเราความเพียรมันถึงกล้าเป็นตายมาแด่คํานึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่หรือมันไม่มันไม่สนใจสนใจอยู่แต่จุดเดียวว่าเจ้ากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียว เนี้ยผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่มันต้องมีการผ่อนสัน้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตทังเจ้าของตลอดเวลา เวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำทำลานเพราะการฉันจังหารเสร็จแล้วนี่ต่างกันและปัญญาก็ก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันจังหารมีความอิ่มหนำทำลานธาตุขานมีกําลังแทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้ หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นรับอะไรสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆเลยเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไหรสติยิ่งดีดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งทั้งทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลิดเลยะเป็นหลายๆวั น, นะติดสืบต่อกันไปเรื่อยๆเลย อนี้ปัญญาก็เราเวลาเราพิจารณามันก็ออกออกไดตามกําลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกก้าฉลาดแห้มคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิมองสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกขัดเพราะอาศัยการอดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละหนีไม่เห็นได้ยอย่างชัดชดอย่างนี้ะก็ปล่อยกัน <Okay. S 1> ไม่ได้ละสิเป็นกับตายมันก็ต้องเดือพันกันไปนั่นแหละเรื่องความทุกข์ความลําบาก เราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลําบากเพราะการอดการหิวถ้าเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ต่อไปจนหากําหนดกดเกณฑนไม่หาที่อยุ่ที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจรึงไม่เห็นว่าทุกพอที่จะเกินเลือก เหลือวิสัยของเราที่จะทําได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี้เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกข์เพียงการประกอบความภาคเพียนเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้กดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกข์อันนี้ไม่ได้ทุกข์ถึงขั้นตายและทุกข์อยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วย ทุกเป็นสัจธรรมด้วยพิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วยทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจน่าฟังเลยเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปุบปับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นเช่นนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็น โดยความบังเอิญนู่นโดยแบบปรับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดําเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันไปโดยระดับด้วยอุบายวิธีนี้นี่ยังไม่รอดชาติธรระทุกข์สัตย์ท่ายังกลัวตาอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกข์สัตย์ไม่รอบยังไม่รู้ทุกข์สัตย์ยังไม่เข้าใจในในอริยาสัจคือทุกข์สัตย์น่ะเอาให้เข้าใจที่ปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่ามรรคสัตย์ได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบ ยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเดียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกขนาดไหนเอาจนกระทั่งทําให้เห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกภาคทุกน้อยเอาทุกไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกที่แสดงอยู่นี้แยกนุ้นแยกนี่ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกนี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขะสัจจ์นั่น แล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเก็บใข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนมไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันมันเรียนจำมาสัจธรรมสัจธรรมในความจำเฉย สัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเกี่ยวให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงววลาสุดท้ายที่จะขาดได้รู้ไม่มีควาว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไว้สักเพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจาความจานั่นแหละ ไม่ว่าท่านว่าเราเอันนี้ไม่ต้องตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนการหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจํามาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิดเลสไม่ได้ทําไม่เอานําไปเป็นภาคปฏิบัตินําไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี่แล้วจะค่อยลุกชัดเจนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบตัวเห็นจะทำเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลย เรื่องการเห็นเจอทำเป็นของจิงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นข่าวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็าตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนะนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่นี่การประกอบความเพีย่ยนของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพิกถึงขิงกันพอที่จะใช้เฉลี่ทะลอกปอกเปลืกหรือร้อนตัวบ้างเลย มันมีแต่แค่จิตเหล็กหัวเลาะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เสียบเหมือนกันนะการแนะนํำสอนสอนมูอเพื่อนเพราะสอนหมู่เพื่อนอสอนด้วยความจริงความจั ง, จงเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ไทําแล้วหล่อแล่แหละทําจริงทําจังเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวรรนนทวไไไีไม่มีกรรมการหนุนฟังดิลงขนาดที่ว่าไม่ไม่ไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ด ถึงข่าจะตายก็อ่ะให้มันตายให้มันเห็นจะจะทําในเวลาตายนี่นั่ะมันไม่ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มาจนมาะทั่งทุกวันเทศสอนหมู่สอนเพื่อนว่า้วยวิด้วยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุ ooh. ทั้งผลก็จะสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไมที่กําลังความสามารถถ้าย <ay> ังเห็นว่ยังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เข้าไปโน่นสิไปตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองให้เข้าดุหมูดูว่าแฝนคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดุงหมูดุัวนี่ มันแทนมรรคผนิพพานได้ได้หรือไม่ได้เหลือจะเสริสังข์ึ้นมาว่านี่แหละตัวมรรคผลนิพพานจริงคือดูหมูดูวัว น, นี่ก็ให้มันเห็นกันถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องดืหลายหรอกก็ไปดูวหมูหมูดวัวมาแฝนคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกนี่เรื่องคนที่มีสติปัญญามีสติอยู่เป็นธรรมดางเหล่านี้ก็มีความสฉุิสังเวยไปทั่วหน้ากัน ดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอ mm ัศจรรย์แบบนั้นไปอืนั Legend ่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเหรอเข้าไปเอาดูดหูดูดบวแขนคอแล้วให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรออินาสิหนี่นสอนมาหมดแล้วนะผม ฐานที่เวทสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอบจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอบจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตติโนนาโถนั้นไปยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่เชนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตตามันจริง ออ า, อาทิ้งตายลงในสจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอเจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนี่ละอัตโนยตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนตอบจนมุมสติปัญญามจะขึ้นรับกันรับกันรับกันเหตุได้สติปัญญาเป็นเครื่องรููแท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ก่อนหนึ่งมีหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่ออย่างลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นนั่นนั้นที่ผู้ปฏิบัติ ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรให้หาที่ชนะแล้วก็ลาไปแล้วกปหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงเนีน่โอ้โวันนี้ผมอินหาแล้วอาเจาีจริงๆอ่ะไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอะไรนี้มันบ้าอะไรหญิง ว, าาาวา่าอย่างเราจะว่าซ้ําๆต่างๆหรือเรื่องบ้านเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่ า, าว่าเกาวทุกสิ่ดุกหาเพื่อนถุงนี้เพียงเป็นข้างเป็นข่าว อันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจําตัวเลยนั่นเป็นยังไงมีนาสิสอนเท่าไรก็สอนแล้วนั้นยังไม่เห็นสิ่งนันยังเห็นสิ่ ง, งนั้นว่าเวดประเส ร, ริฐเลิศเลยยิ่งกว่ากฏธรรมปู่มันเป็นอยู่ยันไงที่วางหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาฟาดลงไปที่กิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันมันหายตงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละ าการเที่กะเปลี่ยนตา่างนื่นะอันนะีนนนน้เหน่อยใน